ไตปิดกเล่มที่สิสอิสิคิลิสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่ภูเขาอิสิคิลิเรื่องพระบาเจกกับพุทธเจ้ารอ้อบสองพระองค์ที่กวรกราบไหว้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชกฤชณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสถึงภูเขาเวพาระภูเขาปันทวะภูเขาเวปุลละและภูเขาคิจกูด ตรัสว่าภูเขาเหล่อนั้นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบรรยัญญติเป็นอย่างหนึ่งคือในอดีตเคยมีชื่อเป็นอย่างอื่นมาถูกเปลี่ยนชื่อในปัจจุบันแต่ภูเขาอีสิคิลีนี้นั้นมีชื่อเช่นนี้มีบรรยัญญติเช่นนี้คือมีชื่อเช่นนี้มาแต่การก่อนแล้วเรื่องเคยมีมาแล้วพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เฉพาะพระองค์ไม่ได้ตั้งศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิคิลีนี้มานานสำหรับพระสูตรนี้เป็นตัวอย่างของจำนวนหว่าเป็นแค่สำนวนหมายถึงว่ามากไม่ใช่ห0 0รอยพอดีนะครับเพราะกรณีนี้ตรัสถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าเพียง1 1ึรพระองค์เท่านั้นแต่คำพีก็จะารึกมาว่าห0 0อองค์ซึ่งเป็นสํานวนต้องย้ำนะครับคําในพระไตรปิฎกหลายส่วนเป็นสํานวน พระปเจกัพุทธเจ้าเหล่านั้นกำลังเข้าไปสู่ภูเขานี้ขณะนั้นประชาชนได้เห็นแต่พอท่านเข้าไปแล้วประชาชนไม่ได้เห็นท่านออกมาประชาชนทั้งหลายเห็นเหตุดังกล่าวนั้นจึงพูดกันอย่างนี้ว่าภูเขานี้กลืนกินฤาษีเหล่านี้ภูเขานี้จึงปรากฏชื่อว่าอิสิคิลิดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเราจะบอกระบุแสดงชื่อของพระปัจเจกภพุทธเจ้าทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังชื่อของพระปัจเจกภพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิเคลินี้มานานแล้วตรัสว่าเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราผู้ประกาศชื่อของพระปัจเจกภพุทธเจ้าที่มีธรรมะเป็นสารา ก, กว่าสรรพสัตวไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากได้บรรลุพระสัมโพธิญาณเฉพาะตน ผู้ประสจากลูกศรคือตันหาสูงกว่านรชนดังต่อไปนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้สิ้นตันหาเครื่องนําไปสู่พบคืออริ tha พุทธะอุปริ tha พุทธะตะคะระสิกีพุทธะยาสัตสีพุทธะสุทธาสาพุทธะปิยาทัศีพุทธะคันทารพุทธะปิณโทละพุทธะ อุปาสภพุทธะนิทะพุทธะตถทพุทธะสุวาพุทธะพาวิตตตะพุทธะสุมภาพุทธะสุภะพุทธะเมธุระพุทธะอัตสุเมฆะพุทธะอนิฆะพุทธะสุทธาทะพุทธะพระปเจกะพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมาก คือหิงคูพุทธะหิงฆาพุทธพระมุนีชื่อชาลีมีสององและพระอัตฐกะพุทธโกสลพุทธอัฏฐพุทธสุภาหุพุทธอุปเนมิสะพุทธเนมิสะพุทธสันตจิตตะพุทธศสัจพุทธะตถาพุทธวชิระพุทธปันติตะพุทธกาละพุทธ อุปการะพุทธะวิชิตะพุทธะชิตะพุทธะอังคะพุทธะปังคพุทธะคุติจิตะพุทธะปัดสีพุทธะผู้ละอุปธิอันเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ได้อปราชิตะพุทธะผู้ชนะมารและพลมารศัทธาพุทธะปรัตตาพุทธะสรรพังคพุทธะ โลมาหังสะพุทธะอุจจังฆมายะพุทธะอสิตะพุทธะอนนาสวะพุทธะมโนมยะพุทธะพันธุมาพุทธะผู้ตัดขาดมานะได้ตถาทีมุตตะพุทธะวิมละพุทธะเกตุมาพุทธะเกตุมาภราคพุทธะมาตังคพุทธะอริยพุทธะอจจุตตะพุทธะ อจุตตาคามพุทธะพยามกะพุทธะสุมังคละพุทธะทัพิละพุทธะสุปฏิทิฏะพุทธะอาศัยหะพุทธะเขมาพิรตะพุทธะโสรตะพุทธะทุรัญเยะพุทธะสังฆะพุทธะอุชยะพุทธะพระมุนีมีองค์หนึ่งชื่อว่าใสหะ ผู้มีความเพียรไม่ต่ำสามพระปัจเจกพุทธะพระนามว่าอานันท h a สี่องค์พระนามว่านันทะ a สี่องค์พระนามว่าอุปนันทะ a สี่องค์รวมสิบสององค์และพาราธวาชะพุทธะผู้ส่งพระวรากายในภพสุดท้ายโพธิพุทธะมหานามพุทธะอุตรพุทธะเกสีพุทธะสิกขีพุทธะสุนทระพุทธะ พาราตวาชาพุทธะติดสะพุทธะอุปติดสั พ, พุทธะผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกในพบได้อุปสีธาลีพุทธะและศีธาลีพุทธะผู้ตัดตัณหาได้มังคละพุทธะผู้ปราศจากราคะอุสภพะพุทธะผู้ตัดขายอันเป็นมูลแห่งทุกข์อุปนีตพุทธะได้บรรลุบทอันสงบอุโปโภสถะพุทธะ สุนทระพุทธะสัจจนามพุทธะเชตพุทธะชยันตพุทธะปฐุมะพุทธอุปละพุทธปทุมุตรรพุทธราคิตพุทธปัพพะพุทธมานัชตะพุทธโสภิตพุทธวีตราคพุทธกันหะพุทธผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พระปัจเจ ก, กุทธเจ้าผู้มีอนุภาพเหล่านี้และอื่นๆผู้สิ้นตัณหาเครื่องนาไปสู่พบเธอทั้งหลายจงไหวพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องค้องทั้งปวงได้แล้วผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีคุณอันหาประมาณมิได้ผู้เปริญนิพพานแล้วเถิดจบอิสิคิริสูตร